ข้อความที่พอจะจําได้ในสูตรหนึ่งตอนนี้นะคือในเศรษฐาปฏิปทาสูตรเป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติของพระเศขาบุคคลหรือพระญบุคคลเลนะี่ยเบื้องต้นที่ยังเป็นคารวะกันอยู่คารวะาที่เขาเป็นพระเศษขษาเนี่ยท่านมีข้อประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรน่านดูก่อนมหานามะอย่างไรอริยสาวกจึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสัพพุริสธรรมเจ็ดประการ อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เนี่ยหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อความตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุอะไรแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคำว่าแม้เพราะเหตุแม้เพราะเหตุอะไรเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สร้างทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมี วิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีในในและทั้งบารมีชั้นต้นบารมีชั้นอุปปารมีและบารมีในชั้นของปรมัตถบารมีแม้เพราะเหตุนี้นะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้นามว่าเป็นพระอรหันต ยังได้ ต, ดตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นศาสดาเอกของโลกได้นะั้นแม้เพราะเหตุอย่างนี้นะดุขานามะในลักษณะเช่นนั้นนะฉะนั้นการที่พระบรมศา ส, สดาจะได้ ต, ดตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เป็นศา ส, สดาเอกของโลกได้ น, นั้นน่ยจะต้องสร้างบารมีมาเสียสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกับหลังจากได้รับพุทธพยากรอนแล้วใช่ไหม แถามว่าถ้าคิดอยู่ในใจแล้วเปล่งออกมาเป็นวาจารวมเบ็ดเสร็จเท่าไรหร่รู้ไหม20ย20สิบอสงไขยิ่งด้วยแสนกับฉะนั้นการปรารถนาในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าที่จะมาตัดสรุนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยยากยิ่งเ่หมือนในเทวทูตสู่ที่นายเนียบาลอุทานเมื่อตอนเองได้เห็นสัตวน์นรกตกนรกนี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นอัตภได้อัตภาพในการเกิดเป็นมนุษย์เห็นหม ขอให้พระพุทธเจ้าได้อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอให้พระพุทธเจ้าโปรดแสดงธรรมและขอให้ข้าพเจ้าจงรู้ทั่วถึงธรรมของพระบรมศาสดานั้นเนี่ยนั้นลักษณะที่แม้แต่ท่านเป็นพวกอเหตุกษัตริย์ใช่เป็นอาเหตุกษัตริย์นะเป็นกลุ่มของนายเนยบาลเป็นอะไรเป็นเวมานิกเปรต เป็นเปรตที่มีวิมานบางทีก็ต้องได้ไปตกนรกโดยการเป็นนายนิรบาลในการที่ไปทำโทษสัตว์นรกเหล่านี้ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้อยากไปทำอะไรเลยนะเห็นแล้วบางคนก็แต่กรรมของตนเองใช่กรรมอะไรเนาะจึงเป็นปัจจัยทำให้ตนเองต้องไปเกิดเป็นนายนิ้บาลเป็นต้นกลุ่มพวกนี้คือชอบอะไรไ้ยชอบความรุนแรง ชอบดูมวยชอบตัดสินมวยชอบอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะชอบไอ้คนเขาเนี่ยกลุ่มลักษณะเนี้ยอกุศลกรรมอันนั้นนั่นแหละก็เลยเป็นปัจจัยให้ตนเองนั้นให้ไปอยู่ในลักษณะเช่นนั้นเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ลักษณะของการที่พระพุทธเจ้าบอกได้ได้เป็นพระอรหรันเนี่ยถ้าไปดูในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าการที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นมาได้เป็นพระอรหรันนั้นไม่ใช่ง่ายๆ แล้วก็ต่จรู้เองโดยชอบหรือแต่จรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเนี่ยแปลว่าการต่จะรู้ของพุตรเจ้านะแต่จรู้เองนะไม่มีใครแนะนำใช่ไหมไม่มีเลยเนะี่ยเกี่ยวในเรื่องของอริยสัจธรรมทั้งสีประการกล่าวคือนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปริบัติให้เข้าถึงความดับทุกเนี่ยไม่มีใครแนะนำเนะ วิชาในลักษณะที่จะตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยพระองค์แทงตลอดได้ด้วยตนเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวยืนยันกับอุปการชีวกมาบอกว่ดูก่อนอุปการชีวกเราเป็นผู้ตัดรู้ได้โดยตนเองเนี่ยเรารู้แจ้งโดยตนเองแทงตลอดอริยสัจจะทำด้วยตนเองอย่างนี้เนี่ยจะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาของตนใช่ไหมคือไม่สามารถที่จะไปอ้างใครเป็นศาสดาของตนเองได้ เพราะพระธรรมที่พระองค์ได้แทงตลอดเนี่ยรู้เองสร้างบา ร, รมีมาเพื่อตรัตรูเป็นพระพุทธเจ้าเองอย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่าจะพึงอ้างใครแล้วก็บอกว่าถึงพร้อมด้วยวิ ช, ชาและจรณะเนี่ยวิ ช, ชาสามวิ ช, ชาแปดเป็นต้นเนี่ยเนาะปุเพนิวาสานุสติญาณจุดตูปปาตยานอาสวัคคยาณเนี่ยที่เคยบอก สติที่ตาลละลึกชาติผนหลังได้สติที่ตามละลึกรู้จุดติและปฏิสนที่ของสัตว์ทั้งหลายสติตาม ล, ลึกในการที่สอโละคด้วยยานปัญญาที่แทงตลอดอริยสัตว์ธรรมทั้งสี่ปะหารกา ม, มาสวะพระวาสวะทิฐาสวะและอวิชชาสวะให้หมดจากขันธสันดานได้ในลักษณะนี้ก็เลยวิชาสาวถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะเจรณานั้นก็เกี่ยวในเรื่องของศีลเป็นต้นนั่นนะ ศรัทธาศีลนิริเป็นต้นนั่นเองเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนีเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมเบิกบานในที่นั้นมาจากคาพุทโธเป็นผู้ตัดรู้ศัตรูจะทำทั้งสี่เป็นต้นนั่นเองแปลว่าในกระแสจิตของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีกิเลสเป็นเครื่องรบกวนแม้แต่น้อยนิดแล้วและก็เป็นผู้จำแนกมาจากรำพักคธรรม พระคัธรรมนี่พระพุทธองค์มีส่วนแห่งธรรมหมดเลยในสติประฐานสี่สัมมาประธานสี่อิทธิบาทสี่อินทรียห้าพละหา้ะหาโพชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์8ประการนั้นพระพุทธเจ้ามีส่วนแห่งธรรมนั้นหมดเลยนะถึงบอกทำอะไรบ้างที่พระพุทธเจ้าไม่มีส่วนในคุณธรรมชั้นสูงทั้งหลายเนี่ยนะนี่คือในลักษณะบอกว่าประการแรกเนี่ยผู้ที่มีศรัทธาในอริยวิ น, ยนัยเนี้จะต้องเป็นผู้มีศรัทธาประกอบด้วย เป็นผู้มีศรัทธาในตถาคตในพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะว่าในกรณีที่พวกเราทั้งหลายสาธยายกันอิติปิโสภควาอะรหังสัมมาใช่ก็จะต้องมีความทราบซึ้งในพระธรรมในบทพุทธคุณตรงนี้ด้วย<ม>ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาจริงๆรงนีง้เป็นผู้มีหิริคือความละอายต่อบาปทุจริตคือว จ, จีกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริต ละอายต่ออกุศลธรรมมัลามกท่านอุปมาเหมือนอะไรนะเหมือนสาวชาววังปกติสาวชาววางเนี่ยจะไปยืนปัสสวาวะตามข้างถ น, นนยังไม่ทําชั้นใดใช่ไหมบาปอากุศลธรรมมันน้อยนิดแม้อยู่ในกระแสจิตใช่ไหมก็ละอายใจก็มีความละอายใจนะว่าถ้าหากว่าแม้แต่โลภะเพียงเล็กน้อยเนี่ยที่เกิดอยู่ในกระแสจิตถ้ารู้ว่าตนเองนั้นมีโลภะจิตด้วยความโลภเป็นภิกษุเนี่ยเนี่ย ก็ไม่น้อมที่จะรับลาบสการ์ละของบุคคลอื่นที่เขาจะน้อมมาถวายมีความละอายใจไงตนเองไม่บริสุทธิ์ในกระแสจิตในขณะนั้นถ้าไปรับขึ้นมาก็แปลว่าจิตที่รับในขณะนั้นก็เป็นจิตที่เต็มไปด้วยราคะถามว่าจะต่างอะไรกับชาวบ้านเขานี่ยไหมชาวบ้านเขาก็มีกระแสจิตในการที่เต็มไปด้วยราคะโธสัโมหะอยู่แล้วเนี่ยถ้าผู้บวชเข้ามาใช่ไหม ยังเป็นผู้ไม่มีฮีรีคือความละอายบาปประธรรมทั้งหลายนะี่ก็ก็ไม่น้อมที่จะลาสิ่งต่างๆเดีนะีประการต่อมาคือเป็นผู้มีโอดตะปะคือสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสะดุ้งกลัวในที่นั้นกลัวต่ออะไรรู้ไหมถ้าดูจากผลในอนาคตกลัวต่ออบายทุคติวินิบาตนรกเขาถามกันเขกเออเนี่ยระหว่างสัตว์นรกกับ เดรชานเนี่ยถามว่าสัตว์อันไหนค่อนข้างที่จะดีกว่ากันถามไปถามมาบางคนอุ้ยตอบไม่ได้นะว่าไม่รู้อะไรดีกว่ากันวะเงีเอาไงดีเนี่ยอันนี้ในธนัญชานียสูตรใช่ไหมธนัญชานีท่านถามบอกวิสัตว์นรกกับสัตว์เิรชาเ น, นี่ยไหนดีกว่ากันวงี้ยเอาไหนดีสัตว์เดรชานดีกว่าใช่ไหมสัตว์เิรชานย่าง อ, อยู่ใกลมนุษย์เนะ่ยยังดีกว่าวะเนี้ยทีนี้ถ้าบอกว่า แล้วสัตธิระฉานกับเปรเล่ะใครดีกว่ากันเนี่ยแล้วมาพิจารณาไปตรึกพิจารณานี้เอาใครดีอาสัตย์ระฉานกับเปรตเนี่ยเอาใครดีก็ว่ากันนี่นะเขาให้สมมุติว่าเลือกก็เนี่ยเราไม่ค่อยรู้กติกาอย่างเงี้ยเขาให้บอกว่าเออเนี่ยระหว่างภพภูมิทั้งสองภพใช่ไหมว่าเออเนี่ยในสองภพสองภูมิเนี่ยภูมิไหนนะนี่เขาดีใช่ไหมนี่หลายๆคนตอบสัตยิระฉานนะ แท้ที่จริงคืออะไรรู้ไหมเปรตเขาดีกว่าเนี่ยเฮที่เขาเปรตดีกว่าเนี่ยเปรตก็มีหลายจําพวกพวกเวมานี่กับเปรตก็มีเปรตที่มีวิมานก็มีใช่ไหมแต่ว่าในที่สุดจริงๆอ่ะสัตว์ดิเรฉานเนี่ยไม่สามารถที่จะรับส่วนบุญส่วนกุศลที่สัตว์ทั้งหลายอยุทิศได้แต่เปรตนั้นสามารถที่จะรับได้ฉะนั้นถ้าพูดถึงภพภูมิแล้วเนี่ยเปรตเขาจึงดีกว่าสัตว์ดิเรกฉานนั้น ทีนี้ถ้าจะพูดถึงบอกว่าะระหว่างเปรตกับมนุษย์เนี่ยตอบเร็วทันทีเลยบ <c oughs> อกเปรตกับมนุษย์ดีกว่าอะถ้ามนุษย์กับเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยไม่ต้องจะตามลําดับไปเทวดาชั้นตาจาตุมเออชั้นชัน้นจาตุมกับชั้นยามาดุสิตานิมานระดีปรานิมมิสวัตดีเป็นต้นเนี่ยเนี่ยแม้ในที่สุดท่านก็ถามว่าระหว่างพรหมกับเทวด า, วาทนนันชานีพราหมณ์ก็บอกวอุ้ยพรหมดีกว่า ตอนนั้นใกล้ตายแล้วภาสาลิบุตรก็เอ้ยนยพรามมีเป็นผู้มีจิตใจน้อมกขอาฮาพรหมเนี่ยในที่สุดจริงๆก็สอนอัปปมัญญาสี่ให้เจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาที่สุดจริงๆก็คือว่าจิตใจของธนัญชานีพรามก็ยึดหน่วงพรหมวิหารแล้วก็ไปพอหลังจากตนเองตายก็ไปอยู่ในพรหมไปเกิดเป็นพรหมกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้า พอมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจาา้าบอกภาษาลิบุตรยังทํากิจไม่เสร็จเท่านี้เนี่ยนะแล้วก็ลุกไป พ, พอฟังแค่นั้นนะภาษาลิบุตรต้องตามไปสอนต่อตามไปพรมเนไปสอนอริยาสัจสีในที่สุดจริงๆได้ไปบรรลุบนนุ่นนี่ไงอานิสงส์การครบกัลยาณมิตรเห็นไหมครอบภาษาลิบุตรถ้าหากว่าธนัญชานีพราหมณ์ตอนนั้นไปครอบกับ ภรยาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเดิมๆตกนรกไปแล้วนี่อะไรกันวะเกือบตกเลยนะนะอาศัยกัลยาณมิตรกก่าคือภาษารีบุตรแล้วจึงได้สุขติและอาศัยจากได้อัตภาพในการเกิดในสุขติและได้ฟังพระธรรมที่สุดจริงๆก็ได้บรรลุไม่ต้องไปตามหาแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> สงสัยไปเถอะโอ ต, ตปาานั้นคือการสะดุ้งกลัวต่อบาปอากุศลธรรมอลามกนะ คือสะดุ้งกลัวนี่เขากลัวมากเลยไหมโดยเฉพาะกลัวอบายภูมิพอกลัวอบายภูมิคือการไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกแล้วใช่ไหมอบายทุกติวินิบาต์นรกเขากลัวมากถามว่าอะไรเราเป็นปัจจัยให้การไปเกิดเป็นอบายทุกติโอกายทุจริตทุจริตทุจริตมโนทุจริตก็ต้องกลัวใช่ไหมโอ้ยนี่น่ากลัวน่าจะสะดุ้งกลัวใช่ไหมว่าโอ้ถ้าตราบใดเรามีทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจ ตรงนี้ตัางหากคือข้อปฏิบัติที่จะลงอวัยภูมก็ก็น้อมที่จะออกจากทุจริตอกุศลธรรมอลามกเหล่านั้นประการต่อมาคือการเป็นพระหูสูตรนะเนี่ยทรงทำที่ได้สดับสั่งสมธรรมที่ได้สดับแล้วทําเราได้งามในเบื้องต้นงามในท่ากลางงามในที่สุดแล้วก็บอกว่าประกาศพรหมจรรย์พร้อมด้วยอัดพร้อมด้วยพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทมทั้งหลายเห็นปานนี้ อันท่านได้สัะดมามากทรงจำไว้ได้อันสั่งสมโดวยวาจาตามเพ่งโดยใจตาแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิก่าคือปัญญานั่นเนี่ยนะลักษณะของคนที่เป็นพระโหสูตรเนี่ยท่านจะตรึกจำได้แม่ น, นไม่สับสนอันบอกโอศีลเนี่ยนะศีล ส, สมถะ ศีลเนี่ยเขศีล ส, สมถาวิปัสสนางามในเบื้องต้นอริยมร์งามในท่ามกลางนิพพานงามในที่สุดนี่ท่านก็จะสามารถแยกแยะได้วเอออะไรเป็นความงามในเบื้องต้นโอ้พระศาสนามีความงามในเบื้องต้นคือศีลสมถะและวิปัสสนานะตอนนี้ก็มาพิจารณาดูใช่ไหมว่าตอนนี้ศีลมีไหมเนี่ยถ้าศีลมีสมถะความสงบจากกิเลสอกุศลธรรมอลามกจะมีหรือไม่ใช่ไหม แล้วประการต่อมาแล้วเราวิปั ส, สนาปัญญาที่เขาไปรู้ตามความเป็นจริงโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเป็นต้นโดยความแตกสลายไปของขันธาตุอยายตนะเป็นต้นเนี่ยมีหรือไม่เนี่ยถ้ามีแสดงว่าเราได้ความงามในเบื้องต้นในพระศาสนานี้อริยมรรคว่ายังเลยว่านนิพพานนั้นคือความฝันคือความฝันความหวังดีกว่ายอย่าไปใช้ความฝัน ความหวังตั้งกระแสจิตเขาว่สักวันหนึ่งสักภพหนึ่งอะไเนี่ยวันหนึ่งเราก็คงจะได้สัมผัสพระนิพพานเป็นผู้ปราบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมอลามกถึงพร้อมด้วยกุศลธรรมโดยโดยเฉพาะเนี่ยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ถึงพร้อมนะกุศลธรรมแต่อกุศลธรรมบางทีมาเฮ้ยเข้ามารบกวนเรื่อยใช่ไหมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมาทีไรเราโอ้ยกุศลธรรมตามติดๆๆๆมาเรื่อย เหมือนก็มาเมื่อถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นเนีบอกว่าอากุศลธรรมมันลาโมกเนี่ยมันจะมาในกระแสจิตเราอยู่เลยแสดงว่าการถึงพร้อมในอกุศลธรรมยังไม่ค่อยจะถึงพร้อมจริงๆใช่ไที่ยังไม่ค่อยถึงพร้อมเพราะอะไรรู้เพราะว่าศีลสมถาและวิปัสสนานั้นยังไม่ไม่ต่อเนื่อง ศีลสมถาวิปัสนาไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวการบาปกันอกุศลธรรมละบาปละอกุศลธรรมไม่ค่อยได้ถามว่าแท้ทํำยังไงถึงจะได้ต่อเนื่องเดี๋ยวมาแล้วก็ต้องดูเอ้วันวันหนึ่งเราคิดอะไรกันเนี่ยเป็ดูตรงนั้นสิ่งที่เราคิดเนะ่ยเป็นข้อบ่องบอกว่านั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะไปคิดถึงใครมากเราก็จะไปอยู่ใกล้ท่านผู้นั้นแล้ ถ้าคิดด้วยจิตที่เป็นอกุศลใช่ไหมแล้วก็ไปอยู่ใกล้แบบเป็นอกุศลกับท่านพูนนั<ไ>้นถ้าคิดแบบประเภทที่เป็นกุศ ล, ลจิตแล้วก็ไปอยู่ใกล้ที่เป็นกุศ ล, ลจิตกับท่านพูนนั้นแบบอย่างยกตัวอย่างนะบางทีเราคิดอกุศลนะคิดโลภะกับท่านคิดโทสะโมหะกับท่านผููนั้นเป็นตนน้นเนี่ยในที่สุดจริงๆแล้วก็ไปบ้วนเปียนบ้วนเปียกอยู่ในสลีล่าของท่านพูนนั้นใช่ไหมใช่ไปสนับสนุนหรือไปเบียดเบียนไปเพื่อเบียดเบียนโดยเฉพาะ มันเป็นอย่างนี้ถึงไปเกิดใกล้ก็ไปเพื่อจะเบียดเบียนไปเป็นลูกก็ไปเบียดเบียนไปเป็นหลานก็เบียดเบียนเนีเบียดเบียนอยน่ะเป็นลูกก็เบียดเบียนเป็นหลานก็เบียดเบียนเป็นพี่เป็นน้องเบียดเบียนหมดใช่ไหมเงินไม่พอจะพึ่ก็มาก็เบียดเบียนอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยเห็นไหมมันลักษณะเช่นนี้เคยมีไหมญาติที่อุปการะกับญาติที่เบียดเบียนนั่นแหละลักษณะเช่นนี้ไง คือการน้อมจิตในผิดในท่านผู้นั้นมันก็จะไปในลักษณะอย่างนั้นแต่ทำกรรมทำกรรมกลุ่มอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติและปัญญาเครื่องรักษาตนยังระลึกได้ตามระลึกเอาระลึกได้อีกอย่างหนึ่งนะคือระลึกได้เร็วเช่นในขณะที่ทําคําที่พูดในขณะต่างๆเหล่ราระลึกได้ค่อนข้างเร็วและยังตามระลึกได้ด้วยตามระลึกถึงคําที่พูดไว้นานๆ ตามระลึกถึงกิตที่เคยทำไว้นานๆตามระลึกถึงจิตที่เคยคิดไว้นานๆนูนน่ตามระลึกได้กลุ่มนี้สติดีแล้วก็สามารถพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่ตนเองตามระลึกได้แม้กิตที่ทำไว้นานแม้ซึ่งถ้อยคำที่พูดไว้แล้วนานๆก็สามารถที่จะตามระลึกได้บางคนพูดวันนี้ลืมวันนี้นะอก <c oughs> แลวยังบอกว่าไม่ยึดมัน <c oughs> บอกว่าไม่ยึดมัน พอเรียนธรรมะแล้วไม่ยึดมัน่นเยอะเลยเดี๋ยวนี้ไม่ยึดมัน่นแปลกใช่ไหมเออไม่ยึดมัน่นแต่ที่จริงคื อ, อยังไง ร, รู้ไหมแม่บอกมีเยอะนะเรียนธรรมะแล้วเอาเป็นตัวกันกนตัวเองเนะี่ยบอกโอ้ยไปคิดอะไรมากมันไม่เที่ยงก็องเงินนะไอ้ไม่เที่ยงทําบาปเรื่อยอย่างนี้เสียเสียหายเนะี่ยเขาบอกต้องตามระลึกได้ต้องตามระลึกไ ด, เออเเไดไ้เออเนี่ยตรวจสอบตนเองได้ใช่ไหมว่าเออเนี่ยที่ผ่านมาในการเจริญกุศลธรรมเนี่ยมัน เจริญขึ้นหรือมันมันเจริญหรือมันแย่ลงก็แล้วมันแย่ลงยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งไปใหญ่เลยแต่ยังไม่ได้แล้วตอย่างนี้ต้องตามระลึกให้ได้ตามระลึกถึงกิจที่ทําคําที่พูดแม้นานได้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันเห็นความเกิดและความดับความเกิดและความดับนี่แปลว่าจะต้องเข้าระดับตั้งแต่อุทยพยานไปแล้วนะเห็นอุทยพยะความเกิดเห็น เห็นอ <kung> ุทยะคือเกิดน่ยพยะน่ยคือดับน่ยอุทยะพยัเพราเห็นทั้งเกิดเห็นทั้งดับวะงั้นเนี่ยเห็นอะไรเกิดน่ยยกตัวอย่างเช่นว่ารูปเกิดใช่ไหมถามว่าอวิชชาเกิดแล้วอะไรเกิดเนี่ยตัณหาเกิดแล้วอะไรเกิดกรรมเกิดอะไรเกิดผัสสะเกิดเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่านิพพติลักษณะของการเกิดขึ้นของสภาวะธรรมเหล่านั้นอะไรเกิด ถ้าจะพิจารณาอย่างนี้เนะี่ยถ้าถามตั้งตรวจสอบโดยตามในยาาของปฏิจจาร์าบอกชาติมีเพราะมีอะไรชาติคือการเกิดขึ้นมาได้ยังพราะมีอะไรเนะาะกวมอะไรละกรรมภวะเนี่ยตัวกรรมนี่เองเป็นปัจจัยจำแนกทําให้เกิดไอ้กรรมกรรมหรือกรรมภวะเกิดมีพ่ออะไรเนาะเพราะอุปาทานแล้วอะไรเราเป็นปัจจัยให้อุปาทานเกิดนะ่ยบอกตัณหาอะไรเราเป็นปัจจัยให้ตัณหาเกิด เวทนาโอ้ตัวเวทนานี่อย่าลืมนะสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเป็นต้นเนี่ยที่สุดจริงๆก็คือทำใเวทนามันเลยเกิดและอะไรเป็นปัจจัยเวทนาเกิดแล้วไอ้ตัวกระทบนี่ไหมตัวกระทบกระทั่งพอกระทบทางตาเวทนาทางตาก็เกิดกระทบทางหูเวทนาทางหูก็เกิดมีการสัมผัสทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจในเวทนาก็วิ่งเที่ยวลองเกิดตามอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ ตามทวารต่างๆเราตัาภาษาใช่ไหมแล้วอะไรทําให้ภาษาเกิดเพราะมีอายตนะไอ้ตัวอายตนะคือตาอายตนะคือหูเนี่ยพอมีอายตนะคือตามันก็ต้องเห็นสีใช่ไหมพอมีเห็นสีแล้วก็ต้องเกิดจกักขูอินญาณการประชมกันของทำสามประการเลยกลายเป็นภาษาเพราะภาษาเกิดอุ้ยเวทนาเกิดอีกแล้วมันเป็นที่ประชมกันเพื่อจะทําให้ตัณหาเกิดนะถ้าหากว่ามันมี ไม่มีการมนสิยการหรือตัดตัณหาให้ได้โดยเด็ดขาดนึงแล้วก็เสียหายนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นปัญญาปัญญาที่จะสามารถเห็นความเกิดและความดับดับมันเป็นอริยะชั้มแรกกิเลสได้ให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบดูก่อนมหานามะอย่างนี้แลอริยะสาวกชื่อว่า<ม>เป็นผู้ประกอบด้วยสับ ป, ปุริสธรรมว่าไงเออพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็จะเริ่มจะสามารถทาให้เห็น พระธรรมตามความเป็นจริงได้ในระดับหนึ่งนะว่าเออเนี่ยการที่จะเป็นบอกว่าเอออริยาสาวกท่านอยู่กันอย่างไรใช่ไหอริยาสาวกท่านพิจารณาแล้วท่านอยู่กันในลักษณะเช่นนี้ที่นี้ในลักษณะของอริยสาวกที่ท่านอยู่แล้วท่านประพฤติปฏิบัติกันเช่นนี้นั้นนะ่ะก็เพราะว่าท่านมีคุณธรรมดังที่ได้กล่าวคุณธรรมของท่านก็คือบอกว่า ท่านมีเศคารปฏิปทาคือข้อปฏิบัติของพระเศคาบุคคลคือถ้าถามบอกว่าแล้วข้อปฏิบัติของปุถุชนล่ะข้อปฏิบัติของปุถุชนไม่ใช่อย่างนี้คนเพราะอะไรถ้าปุถุชนที่ได้สดับปุถุชนผู้เห็นพระอริยะปุถุชนผู้ได้ฟังธรรมของพระอริยะถ้าปุถุชนในกลุ่มนี้เป็นปุถุชนที่ไม่น่ากลัว เป็นปุถุชนที่ค่อนข้างที่จะพอจะเอาตัวรอดได้แต่ถ้าเป็นปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะใช่ไมไม่ได้ฟังคำสอนของพระอริยะไม่เห็นสัตบุรุษไม่ฟังธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รู้แจ้งธรรมของสัตบุรุษเป็นต้นเหล่านี้ปุถุชนลักษณะเช่นนี้เป็นปุถุชนที่ที่น่าเป็นหว่วงในจุละ จูราหูโลวาทสูตรนะ่ยคือพระพุทธเจ้าให้โอวาดแก่พระลาหุนข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้นะในภิกขควัชสมัยหนึ่งพระผู้มีประภาคเจ้าประทับอยู่นะวิหารเวรุวั น, ก, นกาลันทกานิวาป่าสถานทําไมจึงเรียกว่ากาลันทกานิวาป่าสถานสมัยก่อนก็ว่าเป็นสถานที่ให้เยื่อให้เยือให้อาหารของกตัตเเตเป็นต้นนี่ย แต่ถ้าเราอดีตก็บอกว่าพระราชาองค์หนึ่งในอดีตโน้ในนัน้นนเคยมานอนเนะเคยมานอนมาพักต่อมางูจะกัดก็รกอดชีวิตมาได้เพราะอาศัยก็แต่มันร้องมันร้องปลุกให้ตื่นทแตงง่งานก็สามมาก็เลยเออที่ตรงเนี้ก็เลยให้เป็นที่ให้อาหารต่อมาก็คือว่าเวรุวันนี่เป็นวัดที่แรกนะถ้าได้ไปที่ ราชคลึกก็จะเห็นวัดเวรุวันวัดเวรุวันเป็นวัดแรกเขาแปล ว, ว่าเวรุวันนี่เป็นป่าไผ่เขแปล ว, ว่าป่าไผ่เขตพระนครราชคลึกก็สมัยนั้นแหลท่านพระราหุนอยู่นะปราสาทชื่อว่าอัมพริทิกาครั้งนั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่เร้นอยู่เสด็จเข้าไปในอัมพลติกานี่นะปราสาทที่ท่านพระราหุนอยู่ ท่านพระราหุนได้เห็นว่าผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาไกลจึงปูราดอาสนะแล้วก็ตั้งน้ําสําหรับล้างพระบาทไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่ปูราดไว้แล้วนี่ <S <S ก็ทรงล้างพระบาทคือหลังพระราหุนเนี่ยนะท่านถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งเออเล่าประวัติพระลาหุนนิดหนึ่งนะพระราหุนเนี่ยบวชตอนอายุเจเหตุที่บวชนั้นก็เพราะว่า ทีแรกจริงๆนั้ น, น, นพระนางพิมพาให้ให้พระราหุนไปขอราชสมบัตไปขอทรัพย์ขอสมบัติของพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ออกบวชเนี่ยก็จะมีสมบัติที่ผุดขึ้นมาค่อนข้างเยอะและสมบัติก็เยอะเนี่ยต่อมาก็เลยตอนนั้นพระพุทธเจ้าไปที่กรุงกบิลพัณทพอไปแล้วก็คือให้นางพิมพาก็เลยบอกว่าให้ไปขอสมบัติจาก จากพระบิดาในทํานองอย่างนั้นน่ะ น, นะก็ไปเลยคนอายุเจ็ดขวบนะก็ไปเคาเจ้าก็ดําหลีว่าทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในเราควรให้อริยทรัพย์แก่พระลาหุนก็เลยบอกให้ภาษาลิบุตรนะเอาไว้วนเลยในปัจจุบันนี้ระหว่างทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในเราแสวงหาไหนมากกว่ากันเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้พูดออกมาแล้วนะทรัพย์ภายในเมื่อกี้ศรัทธาศีลมิตรต้นเนี้ยนะ มื่อกที่พูดไปซัพพุริสธรรม น, น, นั่นคือกลุ่มของซับภายในกลุ่มของอริยรัพย์เอาไหนดียอมวรรณการทรัพย์ภายนอกกับซัพย์ภายในถ้ามีทั้งคู่กระเดี ย, ยที่จริงในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ารัพย์ภายนอกก็จําเป็นอยู่แต่ที่จําเป็นที่สุดคืออริยซัพย์ภายในแบบนั้นเนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงน้อมให้ภาษจึงบอกให้ภาษาลิบุตรนั้นใูน้นภาษาลิบุตจรจึงเป็นอุปชาของ พระราหุนเนี่ยทีนี้พระราหุนมีปฏิปทาอย่างไงรู้ไหมมีข้อปฏิบัติว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยใช้ทรายเลยบางทีใช้บาตรตักทรายไว้สายบอกว่าเนี่ยขอให้ได้ความรู้จากสำนักของพระอาจารย์จากพระอุปัชฌาย์จากพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยเท่ากับมเมล็ดทรายขนาดนี้ขนาดนั้นเลยเนะเป็นคนที่ตึกแต่ทําตามธรรมดานะตามธรรมดานี่คือเป็นเด็กก็คือเด็กใช่ไหม ก็เป็นคนที่มักจะพูดตลกเพื่อพูดเล่นได้เด็กพูดโกหกก็หน้าลอะอาจจริงไม่จริงเด็กเนี่ยพูดโกหกยังหน้าละนะแต่ว่าถามว่าที่โกหกแล้วแหละที่จะไม่เป็นบาปไม่มีใช่ไหมถ้าโกหกบาปก็คือบาปที่นี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเ่ยพระราหุนเนี่ยเดินตามเดินตามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เสด็จนะเบื้องหน้าพระลาหุนก็เดินตาม ลองคิดดู่พระพุทธเจ้ามีมหาปุริสรขนาดสประการประกอบด้วยอนุพยัญชนะ80งามจริงๆนะความงดงามของพระสรีระพระวรากายของพระพุทธเจ้านา ง, งามมากผมคนล็บป น, นา ง, งามจริงๆเนะเรางั้นเปล่งปลังลัศมีแผ่ซ่านทีนี้และพราหุนก็งามลูกกพ่อในตำนองอย่างนั้นนะนะก็คิดดูแต่ว่างามต่างกันนะไม่ใช่งามถึงพระพุทธเจ้านะ แต่งามอะ่ะท่านเดินตามเนี่ยตอนนั้นก็ยังเป็นอายุก็ยังไม่มากท่านเดินตามท่านก็ตรึกใช่ไหมบอกโอ้โหเนี่ยเหมือนซําเภาทองลําใหญ่ลอยอยู่ในมหาสมุทรเรานี่เหมือนซําเภาทองลําเล็กพ่วงท้ายแล้วลอยตามมองไงเนี่ยมองในรักนะหรือบางทีก็มองพระเจ้าเหมือนราชสีห์นะแล้วตนเองก็เหมือนลูกราชสีห์ตาวเงีันนะอ้นอาถรรพ์นะ ตึกพิจารณาไปอย่างนี้ก็แต่ท่านพัลณาหลายเรื่องโอ้โหพิจารณาไปคือเห็นความงามราคะเกิดในใจคือโลภะเกิดน่ยถ้าหากพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเอาลาิีตรกออกแล้วในี้เราก็เป็นปรินายกแก้วปรินายกแก้วเนี่ยเกี่ยวกันในเรื่องของการจัดการในเรื่องของกองทัพอะไรต่างๆหรือการปกครองแฝงเนาะน้อยใหญ่มหาสมุทร เป็นขอบเขตหนึงพิงพจารณาไปโอ้โหถามว่าจะรุ่งเรืองสะพานใดพระพุทธเจ้าหยุดเลยนะหยุดตรึกนีตรวจสอบดูกระแสจิตของท่านลาหุนเล ย, อลเลยบอกโอ้โหนี่มีราคะเกิดพระพุทธเจ้าบอกราคะที่เกิดขึ้นในกระแสจิตแม้น้อยนิดก็เป็นโทษอุจลาเนี่ยนิดหน่อยเหม็นไหมบอกราคะจิตเนี่ยที่เกิดขึ้นในกระแสจิตแม้เพียงน้อยนิด ก็หน้าก็น่าเกลียดเพราะมันให้โทษเนี่ยไฟเล็กน้อยเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะไม่ไหมสิ่งที่มันใหญ่โตอย่าราคาที่มันเริ่มก่อตัวในกระแสจิตแม้น้อยนิดนี่ที่สุดจริงๆเนี่ยทำกรรมอย่างอื่นใหญ่โตก็ได้อยา ก, กันนั้นเลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐ า, านเลยให้ตรึกกรรมฐ า, านเดียวนะั้นก็สอนในเรื่องของ ให้พิจารณากรรมฐานเป็นต้นเริ่มตั้งแต่อาณาวน า, นาสติเล็กน้อยนะสอนเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็สอนเกี่ยวในเรื่องของาธาตุกรรมฐานเป็นต้นตามลําดับพอสอนเบเ็ดเสร็จน่ยโดยใจความตรงนั้นนะโดยใจความคือในสอนในสูตรนั้นในมหาลาวโลโวาทสูตรเพื่อนไม่มีเวลาในรายละเอียดพอสอนตรงนั้นเบเ็ดเสร็จแล้วก็บอกว่าให้พระราหุนพระลาหุนไปไปเจริญกรรมฐานต่อทั้งทั้งเวลานั้นจะ ออกบินทบาทไม่ห้ออกพราหุ่นไปน้อมรีบไปเจริญกรรมฐานเลยนะไปเจริญกรรมฐานเบ็เสร็จพุทเจ้าก็ไปบิณทบาทบิณทบาทก็ไม่เคยสั่งให้ใครเอาอาหารมาให้นะภาษาริบุตรออกอ่อ้ภาษาริบุตรเนี่ยจะออกบิณทบาทที่หลังอันนี้เป็นปกติของอักราสาวกนะอักราสาวกเวลาจะออกบิณทบาทเนี่ยพระอยู่กันเป็นสี่ร้อยห้าร้ยเป็นพันก็แล้วแต่ท่านออกกันไปหมดเนี่ย ท่านภาษารีบุทก็จะตรวจดูอารามต่างๆนั่นคือความเป็นอัการะสาวกเบื้องขวาตรวจดูตรงไหนยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้กวาดยังไม่ได้ล้างเอเมยังท่านจะทําแล้วก็เยี่ยมภิกษุไข่ในอารามเบ็ดเสร็จแต่ท่านถึงไปแล้วก็เห็นพระลาหุนท่านก็ไม่ว่าเลยว่ากําลังเจริญก็มาทานท่านก็ผไปอุปชาเห็น <c oughs> กลับมาก็ปล่อยกันคือท่านดําหลียว่า ให้บริโภคอมตะธรรมดีกว่าการบริโภคอาหารอะไรงี้ยก็ยอมเงนพิสระคออนาห <c oughs> ารกนน็ <c oughs> ตรงนี้ก็เหมือนกันท่านพระราหุนกันบงับงบงคมพระพุทธเจา้าแล้วนั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งรำดับนั้นนะพระผู้มีพระภาคเจา้าพระพุทธพระผู้มีพระภาคเจา้าก็เหลือน้ำไว้ในภาชนะน้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็ตรัสกับพระราหุนว่า คือเอาน้ำน้ำนั้นเหลือหน่อยหนึ่งก็ชูให้พระราหุนดูว่าดูก่อนราหูนเธอเห็นน้ําเหลือหน่อยหนึ่งอ ย, อ ย, อยู่ในภาชนะน้ํานี้หรือถามบอกเห็นไหมเนี่ยน้ํามีอยู่หน่อยในภาชนะนี่ท่านพระราหุนก็ทูลว่าเห็นพระเจ้าค่ะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะถามดูพวกก็รู้ว่าเห็นดูก่อนลาหุนสมณธรรมคุณธรรมของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาทั้งที่รู้อยู่ก็มี น้อยเหมือนกันฉะนั้นกล่าวถึงคุณธรรมและสมณธรรมธรรมของสมณะหรือคุณธรรมกล่าวคือศีลสมาธิปัญญาหรือฮิริโอ ต, ตปาเป็นต้นนะไม่มีเลยถ้าจะมีนิดๆเหมือนน้ำในภาชนะนะั่นแหละลำดับนั้นพระพู้มีพระภาคจ้ า, จาก็เทน้ำหน่อยหนึ่งนั้นเสียแล้วก็ตรัสกับพระราหุนว่าเทออกเทน้าออกนะ ดูก่อนราหุนเธอเห็นน้ําหน่อยหนึ่งเราเทเสียแล้วหรือบอกน้ําหน่อยหนึ่งที่เราเทเสียแล้วเน่ยเธอเห็นไหมก็ราหุนก็บอกเห็นไระเจ้าค่ะก็แปลว่าน้ํานั้นเทเสียแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนราหุนสมณธรรมคุณธรรมของบุคคลผู้ไม่มีความละอายไม่มีหิริเนี่ยนะในการกล่าวมุสาทั้งที่รู้อยู่ก็เป็นของที่เขาทิ้งเสียแล้วเหมือนกันฉะนั้น แปลว่าท่านบนนั้นทิ้งคุณธรรมของตนเองซะแล้วทิ้งแล้วทิ้งศีลทิ้งสมาธิทิ้งปัญญาทิ้งความละอายบากความเกรงกลัวต่อบาปทิ้งลงจะแล้วท่านทิ้งลงจะแล้วท่านไม่เก็บไว้เคยทิ้งไว้ท่านทับเคยทิ้งคุณธรรมลงเลคยเคยทิ้งเนลยเคยเคยกล่าวบอกมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งก็บอกว่า ไม่เดี๋ยว่งไปเล่าหรือจะเล่ า, ลายาวๆทั้งขยำเกี่ยวกับเรื่องการกล่าวเดี๋ยวเวเล่าตอนสรุปลำดับนั้นพระพุทธเจ้าก็คว่ำภาชนะแล้วก็ตรัสกับท่านพระราหุูว่าดูก่อนราหุูเธอเห็นภาชนะที่เขาคว่าหรือคว่ำลงเลยความภาชนะพระราหุูก็บอกเห็นพระเจ้าข้าบุกเห็นพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนราหุูสมณะ ร, รมคุณธรรมของบุคคลผู้ไม่มีความละอายบาปไม่เกรงกลัวต่อบาป ในการกล่าวมุสาว่าทั้งทัๆ ท, ที่รู้อยู่กล่าวเท็เนี่ยเนี่ยก็เป็นของที่เขาความเสียแล้วเหมือนกันฉะนั้น่ท่านพวกนั้นคว่ำคุณธรรมตนเองทิ้งไปหมดแล้วลองนึกย้อนอดีตที่เคยความคุณธรรมทิม้งควค่ำบ่อยเลยเอาใครดีเนี่ยมีใครคว่ำบ้างเอาใครคว่มยกมือขึ้นก็เคยคว่ำคุณธรรมตนเองทิ้งเนี่ยคือตอนเองเป็นคว่ำลงเสียแล้วคว่ำทิ้งเสแล้วใช่ไหม ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าก็หงายภาชนะเหล่านั้นขึ้นแล้วก็ตรัส ก, กับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุลเธอเห็นภาชนะอันว่างเปล่าหรือให้ดูเลยภาชนะว่างเปล่าไม่มีเลยไม่มีน้ําไม่มีอะไรเหลือสินเลยเห็นว่าไงเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนราหุลสมณธรรมคุณธรรมของผู้ที่ไม่มีความละอายบาปเกรงกลัวต่อบาปนี่นะบุคคลที่ไม่มีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะ ไม่มีความละอายเนี่ยกล่าวมุสากล่าวมุสาว่าทั้งๆ้งที่รู้เนี่ยกล่าวเทศทั้งๆที่รู้เนี่ยเนี่ยก็เป็นของว่างเปล่าเหมือนกันฉะนั้นแปลว่าว่างเปล่าแล้วไม่มีเลยใช่ไหมลองไปตรวจสอบดูทีแต่นี้ในกระแสจิตของท่านพูนั้นหรือคนที่กําลังกล่าวมุสาอยู่นี่นะทั้งๆที่รู้ว่าคำคำนั้นเป็นคําเทจคําไม่จริงเนี่ยเห็นบอกว่าไม่เห็นรู้บอกว่าไม่รู้ได้ยินบอกว่าไม่ได้ยินทราบบอกว่าไม่ทราบเป็นต้นเนี่ยนะ ทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่เนี่ยตอนนั้นน่ยยังมีศีลข้อไหนอยู่ไหมยังมีคุณธรรมอะไรเหลืออยู่ในกระแสจิตเหรือตอนนั้นว่างเปล่าไปซะแล้วไม่เหลือเลยอเพราะตนเองฟ้ามไปแล้วหายออกมาไม่มีน้ําเหลือเลยใช่ไหมภาชนะนั้นไม่มีน้ําเหลือเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนราหุนบอเนี่ยสมณธรรมของผู้ที่ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาก็ว่างเปล่าเพราเป็นของว่างเปล่าจริงๆ เออตรวจสอบพิจารณาดูอย่างนี้ก็มันรักษาคุณธรรมกันไว้โดยการอย่าไปกล่าวคําเท็จอย่าไปโกหกนะว่าเงี้ยถ้าอย่างนั้นเราจะกลายเป็นบุคคลที่ว่างเปล่าจากศีลว่างเปล่าจากสมาธิว่างเปล่าจากปัญญาบางคนก็บอกอ้าวมันจําเป็นต้องกล่าวโมศาอะไรเงี้ย <laughs> ยังมีใครมีความจําเป็นที่จะกล่าวอยู่ไหมเนี่ยคงไม่มีแล้วเนาะกงไม่มีไม่เห็นความจําเป็นเลย เดี๋ยวดูต่อไปนะพระพุทธเจ้าตรัสจะดูก่อนลาหุ่นเปรียบเสมือนช้างต้นมีงาเงอนงามเป็นภานะที่เจริญยิ่งนะช้างต้นช้างต้นคือช้างที่ช้างช้างที่เข้าไว้เข้าสางครามโดยเฉพาะไว้ฝึกเข้าสางครามโดยเฉพาะมีงาเงอนงามเจริญยิ่งนะมีกําเนิดดีคือชาติดีประเภทที่โอ้โหเกิดมาจากพ่อแม่ที่ดีว่างั้นเถอะ ตระกูลก็ดีกําเนิดดีตระกูลก็ดีเคยเข้าสงครามแต่ว่าในอดีตเคยผ่านสงครามมาแล้วช้างนั้นเขาเข้าสงครามแล้วย่อมทําการย่อมทํากรรมทํากรรมในที่นั้นคือทํำกายกรรมวิีกรรมและมโนกรรมของช้างช้างเหล่านั้นต้องทํากรรมด้วยเทา้าด้วยเทา้าทั้งเท้าหน้าทั้งสองบ้างเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายเบื้องหน้าบ้างด้วยกายเบื้องหลังบ้าง ด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างย่อมรักษาไว้แต่งวงเท่านั้นเพราะการที่ช้างรักษาไว้แต่งวงเท่านั้นความช้างจึงมีความดําริอย่างนี้ว่าช้างนี่แลมีงางอันงอนงามเป็นผานะที่จเจริญยิ่งนักมีกําเนิดดีเคยเข้าสงครามเข้าสงครามแล้วย่อมทํากรรมด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายเบื้องหน้าบ้างกายเบื้องหลังบ้าง ด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างย่อมรักษาไว้แต่งวงเท่านั้นชีวิตชื่อว่าอันช้างต้นยังไม่สละแลคือตรงเนี้ยให้พิจารณาว่าช้างนี่ก่อนนีช้างที่เป็นช้างต้นมีงางอนงามเป็นต้วเนี้ยเนี้ยงาเนี่ยก็เห็นงาช้างงาช้างนี่คือเขี้ยวช้างอะนีจะหมูกช้างคืองาช้างคือช้างต้นเนี่ยเป็นช้างที่ฝึกมาเป็นอย่างดี สามารถที่จะเข้าในสงคารามเนี่ยเท้าทั้งสองเท้าหน้าทั้งสองก็สามารถเตะคนตายได้เท้าหลังทั้งสองก็เตะคนตายได้ข้างหลังก็สามารถที่จะทำให้คนตายได้แม้แต่หางก็ทำให้คนตายได้ขนาดนั้นนะสี่ข้างสองข้างทำให้คนตายได้หมดเลวแล้วก็อีกอย่างก็คือใบหูเอาไว้ปัดลูกสอนลูกธนูที่เขายิงเข้ามา ฝึกขนาดนั้นในช้างเนี่ยบางคนบอกไอ้หางทํำยังไงก็ก็มัดเขาไว้เขาเอาพวกเหล็กเอาพวกไม้เป็นต้นเนี่ยมัดเขาไว้หางใหญ่ๆช้างสงครามเนี่ยมันจะใช้หางฟาดเขาฟาดศึกษาศึกศัตรูทีนี้ช้างลักษณะอย่างนี้บอกชีวิตที่ช้างต้นยังไม่ยอมสลัก็แปลว่าผ่านสงครามมาแล้วใช่ไหม ไม่ยอมสละชีวิตเนะี่ยถึงสามารถผ่านมาได้ถ้าช้างตัวไหนผ่านสงครามแล้วสละชีวิตจะมีโอกาสกลับมาได้ไหมกลับมาไม่ได้อันนี้กลับมาได้ก็แปลว่าเป็นช้างที่ยังผ่านสงครามมาแล้วรักษางวงไว้รักษาชีวิตว่าช้างตัวนั้นรักษาชีวิตตนเองได้แปลว่ายังไม่ยอมสละชีวิต ดูก่อนราหุนเมื่อใดแลช้างต้นมีงางอนงานเป็นผหาหน่าที่เจริญยิ่งนักมีกำเนิดดีเคยเข้าสงครามแล้วย่อมทำกรรมด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายเบื้องหน้าบ้างกายเบื้องหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างโดยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้าง ด, งด้วยหางบ้างด้วยงวงบ้างเพราะการที่ช้างนั้นทำกรรมด้วยงวงนั้นควานช้างจึงมีความดาริอย่างนี้ว่า ช้างตัวนั้นน่ยไม่ยอมทํากรรมในงวงนี่แต่ตัวนี้ทําตัวที่รักษาชีวิตไว้ใช่ไหมนี่กลัวตายมันมเอางวงซ่อนก็นว่าไอ้ตัวนี้ไม่ยอมไม่ยอมเอางวงจุบปุดไว้ในปากแปลว่าเอางวงออกมาสู้ฟาดฆ่าศึกศัตรูด้วยงาก็แทงศัตรูอะไรต่างๆเหล่ า, านี้เป็นต้นเนี่ยบางทีก็ให้จังหวะแกควานช้างแกคนที่อยู่บนหลังช้างในช้างสงครามเนี่ยเพราะเขาต้องฝึกระหว่างคนคนนั่งบนคอช้างกับคน คนที่เป็นช้างเนี่ยจะต้องรู้ใจกันเลยเดินหน้าถอยหลังต้องชัดเจ น, เนไม่ใช่ว่าสายไปข้างหน้าช้างถอยหลังจะไม่ยอมสู้ใช่ไหมบางทีใช้ศีรษะชนชนกำแพงอย่างนี้ในการที่จะไปบุกเมืองต่างๆเนี่ยมีเป็นในลักษณะเช่นนะั้นทีนี้เพราะการที่ช้างต้นนั่นแหลมีงางงอนงามเป็นภาชนะที่เจริญยิ่งนักมีกำเนิดดีเข้าสงคราม เข้าสงครามแล้วก็ต้องทํากรรมด้วยเท้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายเบื้องหน้ากายเบื้องหลังศีรษะด้วยหูทั้งสองด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างด้วยงวงบ้างชีวิตชื่อว่าอันช้างต้นยอมสละแล้วนี่ความช้างตรึกอยู่บนหลังช้างรู้เลยโอ้โหเนี่ยช้างต้นตัวนี้เนะี่ยหรือดูอยู่ไกลๆก็รู้โอ้โ oh, ห oh, ช้างต้นตัวนี้ยอมสละชีวิตแล้วก็ไม่ยอมแม้แต่จะปิดงวงตัวเองเลยอ่ะ ใช้งวงออกมาต่อสู้แล้วแปลว่าช้างตัวนั้นยอมสละชีวิตเนะเพื่อนพวกเราทั้งหลายคงไม่เคยได้เห็นช้างต่นานะอดีตก็อาจจะเคยขี่คอช้างแล้วสู้ฆ่าศึกสงครามกันมาแล้วก็ได้ใช่ไหมใช่กรรมที่ไม่เคยทำไม่มีเลยบัดนี้ไม่มีอะไรที่ช้างต้นจะทำไม่ได้ฉันใดโอ้โหไม่มีเลยนะ่ที่ช้างต้นตัวนี้จะทาไม่ได้แปลว่ายอมสละชีวิตเนี่ยทได้ทุกอย่างห ทำได้ทุกอย่างชั้นใดวังดูก่อนราหุลเราก่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมูสาทั้งทั้งที่รู้อยู่คนที่ไม่ละอายบาปในการกล่าวมูสาในการกล่าวเทศทั้งทั้งที่รู้อยู่ที่จะไม่ทำบาประกรรมแม้น้อยหนึ่งไม่มีที่จะไม่เริ่มทำบาประกรรมแม้น้อยหนึ่งเมื่อทำบาประกรรมแม้น้อยหนึ่งแล้วเนี่ยต่อไปรุกรามไห จะรุกลามไปเรื่อยๆเๆจากกรรมเริ่มจากฆ่ า, มาแมลงวันหนึ่งตัวเนี่ยนะมันจะเริ่มใหญ่โตไปเรื่อยๆเลยๆในที่สุดจริงๆทําอะไรรู้ไหมปีตุคาดมาตุคาดเนะก็ช้างต้นตัวนี้แต่ก่อนยอมสละชีวิตทำบาปไหมไม่ยอมไม่ต้องฝึกฝนมาอย่างดีนะถ้าหากว่าในที่สุดจริงๆเนี่ยฆ่าทําได้ไหมดเลยเออถ้ามาตรึกพิจารณาดูถึงพวกเราเนี่ยนะพิจารณาดูในปัจจุบันเรา ละอายชั่วกลัวบาปใช่ไหมแล้วไม่ทําบาปหนักๆแต่บาปเล็กๆ น, น้อยๆยังทำเหมือนกันทั้งๆที่เราบางทีรู้แค่นกัน้นนะเป็นบาปเลยแต่ทําไม่ทําน่าไว้ใจไหมคนกลุ่มนี้ <c oughs> <c oughs> น่าไว้ใจไหมท่านทับน่าน่ไว้ใจหถ้าอาบัตรเล็กๆ น, น้อยๆแม้ทุกกฎยังน้อมที่ทําอยู่นี่คิดไหมว่าวันหนึ่งจะไม่เป็นประชิตถ้ามีโอกาสใช่ไหมใช่ <c oughs> หรืออยู่ในเหตุการณ์ที่ นั่นึ้นมาถึงบอกว่าถึงบอกว่าบา ป, ปรกรรมทั้งหลายที่บอกว่าบัดนี้ไม่มีอะไรที่ช้างต้นจะพึงทําไม่ได้ชั้นใดดูก่อนรลาหุนเรากล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมูสา ท, ทั้งทั้งที่ททรู้อยู่นี่ที่จะไม่ทําบา ป, ปรกรรมทางกายทางวาจาและทางใจแม้น้อยหนึ่งไม่มีและที่สุนจริงก็ลุกรามชั้นนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นแหละลาหุนเธอพึงศึกษาว่าเราจักไม่กล่าวมูสา เราจะไม่กล่าวคําเท็จเราจะไม่พูดสอเสียดคําหยาบแลยเพื่อเจ้อเป็นต้นเนี่ยนะให้ตึกพิจารณาให้ศึกษาเนีแม้เพราะหัวเราะเล่นพูดใน ห, หัวเราะเล่นเล่นแต่คํานั้นเป็นคําไม่จริงเน่ยคือรู้ว่าเป็นคําเท็จแต่เว้นไว้แต่ยก ต, ย, าายกตัวอย่างเอามายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยคาลักษณะเช่นนี้เช่นนี้เนี่ยโอ้ยเรื่องนี้อึดอัดเป็นแถวแลงคนอทําไม่ได้ก็เงี้ย ดูก่อนราหุนเธอเพึงศึกษาอย่างนี้ก็แปลว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้นะคือแท้ที่จริงก็คือเป็นการฝึกหัดทางด้านว่าจีทวานนี่ทางทวานทางทวานปากนี่นะฝึกยากวะยา ก, กนะเนี่เอางี้จริ ง, รงเป็นเป็นใบถ้าอย่างอื่นจะรุนแรงนะมันจะไปเพิ่มออกทั้งอื่นให้สังเกตินี่ยคนใบทั้งหลายทำรุนแรงทําอะไรรุนแรงใช่ไหม ชดเชยบอกชดเชยเขาไม่ได้นี่เป็นอย่างนั้นเลยนะดูก่อนราหุนเธอจะสําคัญข้อนั้นเป็นชไหนแว่นมีประโยชน์อะไรรู้จักแว่นไหมแว่นเขามีประโยชน์ไว้อะไรแว่นหรือกระจกเนี่ยเขามีไว้เพื่อเอาไว้ส่องดูใช่ไหมดูสิ่งแปลปองอยู่บนใบหน้าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นดูว่าเออบนหน้าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยมีฝ้าไหมมีแผลเป็นไหมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นชั้นใด มีประโยชน์ไว้สำหรับท่องดูพระเจ้าข้าพระราหุลก็ตอบนะฉันนั้นเหมือนการแลราหุลบุคคลพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงค่อยทำกรรมด้วยกายกรรมด้วยวาจากรรมด้วยใจให้พิจารณาก่อนนะเวลาจะทำกรรมทางกายทางวาจาและทางใจให้ตรึกพิจารณาให้รอบครอบเสียก่อนเคยคิดกันอย่างนั้นไมเวลาจะทาอะไรเนี่ยต้องคิดก่อนเวลาจะพูดอะไรแต่ละคาก็คิดก่อน และเวลาจะคิดนะึกเรื่องราวอะไรต่างๆก็ตึกพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนพระเจ้าบอกให้จะทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยให้ตึกให้พิจารณาเสียก่อนนะดูก่อนราหุนเธอปรารถนาจะทำกรรมใดด้วยกายกรรมวจิกรรมด้วยกายนะนั้นเธอพิจารณาเสียก่อนว่าเราปรารถนาจะทำกรรมนี้ด้วยกายกรรมด้วยกายกายกรรมของเรานี้พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียนไปเพื่อเบียดเบียนตนเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างกายกรรมนั้นเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากกําังหนอตรึกรให้คิดดูก่อนว่าเออถ้าเราจะทํากรรมจะทํากายกรรมน่ะกรรมกายกรรมทางกายน่ะเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนเบียดเบียนทั้งผู้อื่นไหมถ้าทําอย่างนั้นเป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากใช่ไหมตรึกพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ย เมื่อมีทุกข์เป็นวิบากกำมังนอ้อแล้วถามดีไหมกรรมแบบเนี้ยกายกรรมที่จะไปทํามีการฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะดีหรือไม่ดีอย่างเนี่ยแกว่าเรามีทุกข์เป็นกําไรนะมีทุกข์เป็นวิบากนะกําไรที่เห็นเห็นคือความทุกขนะ์อ่ะวิบากที่จะได้รับก็คือความทุกขนะ์เนี่ยทําไหมให้ตรึกก่อนเวลาจะทำเนาะไม่ใช่ทาแล้วจึงตึกเนะตอนนี้ก่อนจะทนะําเนี่ยให้ตรึกก่อนก่อนจะเยอะผ้่านะตรึกก่อน ก่อนจะเย็บผ้าเวลาก่อนจะขับรถมาตริกก่อนว่าลืมกุญแจรถหรือเปล่าดูก่อนราหุนก็ถ้าเมื่อเธอพิจารณาอยู่ใช่ไหมเอาตอนนี้เอามาพิจารณาอยู่เนี่ยถึง พ, พึงรู้อย่างนี้ว่าเราปราถนาจะทํากรรมใดด้วยกายกายกรรมกรรมที่ทําทางกายเนี่ยเจตนากายกรรมที่ทําทางกายนี่นะเจตนาในอกุศลสิบสองเจตนาที่ในมหาอกุศลแปดนะยังตุ้ยเจ็ดยี่สิบดวงนะ ที่ทําให้กายกรรมออกมาได้เนี่ยถามว่าที่ทำมาเป็นจิตตรงไหนเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วต้องดูตรงนั้นกายกรรมอันนี้เนี่ยนะบอกว่าพึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนเบียดเบียนทั้งผู้อื่นกายกรรมนี้เป็นอกุศลทําไมจึงเป็นอกุศลเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยมันเป็นอกุศลเพราะอะไรรู้ไหมตอนนั้นมีอกุศลและทำเป็นตัวขับเคลื่อนให้ทํา อกุศลธรรมคือโลภะบ้างอากุศลธรรมคือโทสะบ้างอากุศลธรรมคือโมหะบ้างเป็นตัวขับเคลื่อนให้กายนั้นขยับเ ข, ขยื้อนเคลื่อนไหวไอ้อย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นอกุศลเมื่อเป็นอกุศลจึงมีทุกข์เป็นกําไรได้กําไรหนอหนออะไรคือทุกข์เตรียมยืมได้เลยว่าเนี่ยที่เราเบียดเบียนตอนเบียดเบีย น, ย น, นผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเนี่ยถามจะได้กําไรไม่กไ ด, ได้ได้อะไรทุกข์นะแล้วมีอะไรเป็นวิบากที่จะได้รับ มีทุกเป็นวิบากกรรมเช่นเห็นปานี้เธอพึงทำด้วยกรรมเห็นปานี้เธอไม่พึงกระทำโดยส่วนเดียวโดยส่วนของกายกรรมอย่าไปทำนะไม่ควรทำแม้แต่น้อยนิด เ, เดี๋ยวลองลองทาดูนิดหน่อยมิเหยียอย่าไปนะก็แปลว่าเอ๊ะเนี่ยตอนเนี้ยมันคล้ายๆยังไงนะถามว่าถ้าอย่างนี้กลุ่มพวกนี้คือตรึกก่อนนะตรึกพิจารณาก่อน แต่ถ้าเมื่อเธอพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าเราปรารถนาจะทํากรรมใดด้วยกายปรารถนานะตรคิดอยู่ปรารถนาที่จะทำกรรมทางกายเนี่ยนะกายกรรมของเรานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นกายกรรมนี้เป็นกุศลอ่าทําไมถ้าหากว่ากายกรรมที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนี่เป็นกุศลนะ เมื่อ ah. เป็นกุศลนี่ถามว่าเป็นกุศลเพราะอะไรจึงเรียกว่าเป็นกุศลเพราะในขณะนั้นมหากุศลจิตแปดนึกออกไหมมหากุศลจิต8นั้นเป็นตัวขับเคลื่อนมีกลุ่มของศีลมีมีกลุมมมกล่มของศรัทธาบ้างศีลบ้างความเพียรที่ถูกต้องบางสติบ้างปัญญาบ้างเนีเป็นตัวขับเคลื่อนให้กายกรรมอันนั้นน่ยขยับขยื่อนเคลื่อนไหวกายกรรมอันนี้จึงเป็นกุศล เมื่อเป็นกุศลแล้วเนี่ยมีอะไรเป็นกําไรละมีสุขเนี่ยเป็นกําไรทําไปเถอะมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากมีไสกายกรรมเห็นปานนั้นเธอพึงทําด้วยกายเพราะมีสุขเป็นกําไรนี่แล้วก็มีสุขเป็นวิบากทําเลยกายกรรมอันนั้นทำเอยแม้เมื่อเธอกําลังทํากรรมด้วยกายอันนี้กําลังทําแล้วเดี๋นี้ในขณะทําน่ยแม้เธอกําลังทํากรรมด้วยกายเธอพิจารณากายกรรมเหล่านั้นแหล้ว่าเรากาลังทํากรรมใดด้วยกาย กายกรรมของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลใช่ไหมเพราะถูกกาลังทําอยู่อย่างนั้นแสดงว่าตอนนี้กําลังทําแล้วสมมติกําลังนั่งอยู่เนี้ยกาลังนั่งอยู่เนี้ยเอาสมมตินั่งเราง่วงเราใช้กายไม่กายเรานั่งอยู่เนี้ยไอกายกรรมมันนั้นน่ะกำลังทําอยู่เนี้ยเป็นอกุศล ทำไมเป็นอกุศลเพราะมีอกุศลและจิตเป็นตัวขับเคลื่อนซึมง่วงเหงาเศร้าซ้อยโงกง่วงจิตใจไม่แช่มชื่นนี่กายกรรมนั้นเป็นอกุศลเพราะเบียดเบียนใครไเบียดเบียนตนเบียดเบียนตนเนบียดเบียนตนทีนี้เเราเบียดเบียนคนอื่นด้วยป่ะเนี่ยเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นไหมเราต้องตรึกพิจารณาดูในที่จริงก็ชัดเจนที่สุดคือเบียดเบียนตน กายกรรมมนั้นเป็นอกุศลเมื่อเป็นอกุศลจะมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าถ้าถ้าในลักษณะนี้มีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากกําลังโมนี่ให้ตึกอย่างไงให้ตรึกอย่างไ ง, ง, งว่าเออที่เรากําลังกระทําอยู่เนี้ยเราบอกเออไม่ใช่เรานั่งฟังทำเนี่จะเป็นอกุศลได้ยังไงไปเบียดเบียนคนอื่นได้อีกถ้าให้คนอื่นเขาตกนรกคอยเห็นเรา <laughs> เอาสิต่เนี้ย เนี่ยเขาหรือเบียดเบียนคนอื่นเรืเ่องจริงนะเนี่ยใช่ไ ป, ป, ปบางทีมีจริงๆนะบางคนเนี่ยใช่ไหมบางคนก็บอกเ อ, อ้ยอย่างเงี้ยเราไปชวนก็นแล้วแล้วก็นั่นกันนะทําช่วยเขาเห็นได้เลยก็ว่าเวลาทําช่วยคนนั้นก็งดงยึดคนนั้นก็งดยึดเนี่ยเขบอกเงที่จริงเราล่วมไปได้วยกันนั่นแหละ <c oughs> ทั้งคู่เลยชวนง่ายเหลือเกินแล้วชวนทาบาปก็ทําก็อีกคนนึงเห็นก็แหมบางคนนึงก็สะกิดใหญ่ แล้วยังมาตำหนิได้นะมีอย่างใครพูดดูอีกคนหนึ่งหลับกลอนอีกคนหนึ่งเยอะบอกหลับหองอย่าแววาหลับอย่ากรอนดีทำให้เขาตื่น <c oughs> เสี ย, ยอะไรตั้งยอะเสียทั้งคู่เลยเขาไปกลอนดังพวกลอยใกล้ๆวันตื่นเลยนี่มีทุกเป็นกําไรมีทุกเป็นวิบากกรรมนอ้อถ้าเมื่อเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราทํากรรมใดด้วยกายกายกรรมของเรานั้นย่อมเป็นไป เพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นกายกรรมนี้เป็นอกุศลที่กําลังทําอยู่นี้นะเป็นอกุศลมีทุกเป็นกรราําไรมีทุกเป็นวิบากดังนี้ไซ้เธอพึงเลิกกายกรรมเห็นบานนั้นให้เลิกเดียวนั้นนะอย่าอย่าต่อเพ อ, อให้สังเกตอย่างนี้มีหลายๆคนนะเมื่อวันก่อนเอเมื่อวานพระก็มาเล่ามีคนคนหนึ่งจะมาเล่าเรื่องบาปให้ญาญวังยังมั้ มาเล่าอาจารย์บอกก็หยุดเดี๋ยวนี้ถามทำไมบอกให้หยุดทันทีเลยนะบอกถามทำไมต้องหยุดอะไรอย่าให้บาปมันเดินมันอันตรายเรียบหยุดนะเนี่ย mm hmm. คือคือเวลาเรื่องบาปอากุศลทั้งหลายนี่นะจะไปเล่านานรู้ไหม mm hmm. ถ้าจะเล่าก็เล่าตรึกเพื่อจะออกแล้วก็ให้รู้จักเราเราสะดุ้งกลัวตัวบาปจริงจริงนะ mm hmm. ถ้าไปเล่าไปมันมีความรู้สึกหมันโทสะก็แล่นเร็วในขณะเล่าใช่ไหม บางคนเล่าเรื่องความโลภก็โลภต่ออยู่งั้นเนี่ยแล้วไปทํากรรมในขณะนั้นอย่างนี้เขาเรียกไม่น้อมที่จะเลิกในขณะนั้นแล้วลองคิดดูเลยท่านวันั้นจะเลิกได้ไหมอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นเรื่องเรื่องบาปอากุศลทั้งหลายถ้าจะเล่า ก, ก็เล่าให้สลดใจจริงๆตนเองสลดใจบอกโอ้แต่ก่อนทําบาปมามากเล่าแบบพระอรหันต์ท่านเล่าอ่ะท่านเล่าท่านกลัวใช่ไหมท่านบอกโอ้โหเราพ้นแล้วเนี่ยเราพ้นแล้ว ถ้าสํานวนของพระพุทธเจ้าจะใช้ว่าไงดูก่อนบิกตัวตั้งหลายเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของเทพทั้งที่เป็นของมนุษย์พ้นึย่างนี้ในประชาชนที่เล่าบาปด้วยมากเล่าด้วยความเมามันนะอย่าลืมนะมีคนคนหนึ่งมาเล่าโอ้ยท่านไม่รู้จักยอมจริงก็ว่านันนะเราถามว่าอะไรละ่ะโอ้ยยอมนี่ชั่วมาเยอะก็ว่ากัออ้าไปเล่าทําไมลุง ร, รีบละเสีอบาปนี่บาปไ ป, ไปเล่า แต่ว่าเออถ้าเล่าเล่าเนี่ยเล่าดีเล่าเพื่อโอ้โหปงพละตัวเองนะเนี่ยโยมเคยทำอย่างนี้อย่างนี้จะแก้ยังไงเอออย่างนี้ดีจไมาจะแก้ยังไงเพราะมันยังน้อมคิดอยู่เลยอะละบาปอันนี้ไม่ได้เลยควรเล่านะเรื่องแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกก็เล่าสารภาพเออเล่าแบบลักษณะจะหาทางออกมันเหมือนเราอยู่ในความทุกข์นะเราจะออกยังไงบางคนบอกงี้ บอกว่าท่านฟังอย่างเดียวบอกยอมจะระบายให้ฟังก็งั้นเอ้เราก็มานั่งนึกเอ๊ะทำไมต้องให้คนมาทำบาปเพราะอาศัยเราเ น, นี่ยนะใช่ไหมเอ๊ะแปลกเขาบอกว่าไอ้ยอมถ้าอย่างงั้นยอมก็หันหน้าไปหาต้นเสาสักต้นแล้วก็พูดพลานากระต้นเสามันไม่ต่างใช่ไหมเขาแปลว่าไม่ให้เราพูดอะ <c oughs> <c oughs> แต่ยังอาศัยเราเป็นอารมณ์อืมอ อาศัยเป็นอารมณ์กันคือว่าเาเาถ้าเขาได้ระบายแ ล, าลแล้วเขาโล่งแล้วเห็นเราเป็นยาถ่ายเ ป, ป, ป็นอะไรแปลก <c oughs> แต่มีนะอย่างนี้จริงๆนะ้รงนงัง <c oughs> หลายๆให้สังเกต ด, ดูดิเจ้า ว, วาดในสมัยปัจจุบันนะเป็นโรคจิตโรคประสาทยเยอะไปรับเรื่องทุกชาวบ้านเขาเยะทีนี้พอตอนเองรับก็ไม่มีอุบายในการละใช่ไหมที่จริงๆก็